วันนี้เป็นวันอังคารที่ส0สิบกันยายนพุทธศักราชสอง8นห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันพระคือเป็นวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเรา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ท่งสอนให้ชาวพุทธเราหยุดภารกิจการงานหนึ่งวันเพื่อมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธวันพระจึงเป็นวันที่เป็นวันสำหรับทำหน้าที่ของชาวพุทธเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ ประโยชน์สุขอันเลิศอันประเสิจากพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมีวันพระเพื่อมาทําหน้าที่ของชาวพุทธแต่สมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของชาวพุทธเราก็จะทําให้ชาวพุทธเหล่านี้ ไม่มีวันพระไว้สำหรับทำหน้าที่เช่นวันนี้วันพระตรงกับวันอังคารแต่วันหยุดทำงานของญาติโยมไปหยุดที่วันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารต้องทำงานก็เลยเสียวันพระไปดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียวันพระเราควรจะมีวันพระ ทุกอาทิตย์ด้วยกันเราจรึงควรเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันที่เราหยุดทํางานถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ขึ้นมาเป็นวันพระเพราะว่าวันที่เราหยุดทํางานเราก็จะได้มีเวลามาให้กับการทําหน้าที่ ของชาวพุทธเราถ้าถ้าเราต้องไปทำงานอย่างวันนี้วันนี้เราก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ของชาวพุทธได้ยกเว้นท่านที่ไม่ต้องไปทำงานในวันนี้คือมีอาชีพอิสระสามารถเลือกวันหยุดเองได้ ก็ยังสามารถที่จะมีวันพระไปได้ตลอดอความหมายที่แท้จริงของวันพระก็คือวันหยุดทำงานนี้เองสมัยโบราณวันหยุดทำงานนี้จะตรงกับวันพระเสมอมชาวพุทธเราจึงมีวันพระไว้สำหรับทาหน้าที่ของชาวพุทธได้ตลอดเวลาแต่สมัยนี้ วันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมกับวันพระของทางศาสนามักจะไม่ตรงกันก็เลยทำให้ญาติโยมขาดทุนญาติโยมที่ต้องการที่จะทำหน้าที่ของตนก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในวันพระที่ไม่ตรงกับวันทำงาน ท, ที่ไม่ตรงกับวันหยุดงานของตนได้ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทํางานถ้าหยุดเสาร์ก็เลือกเอาวันเสาร์เป็นวันพระหยุดอาทิตย์ก็เลือกวอาวันอาทิตย์เป็นวันพระเพื่อที่จะได้มาวัดมาทําหน้าที่ของชาวพุทธเราเพื่อที่จะได้รับสุขความสุขประโยชน์จากพระพุทธศาสนา หน้าที่ของชาวพุทธก็คือหนึ่งศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมศึกษาเพื่อเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมารู้วิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องปฏิบัติอย่างไร ก็นำมาไปสู่ข <of> ั้นที่สองของหน้าที the third, the ่ก็คือการปฏิบัต well ิตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขั้นที่สามของหน้าที่ก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือบรรลุผลของการปฏิบัติบรรุธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีล ขัานสมาีิขั้นปัญญาไปตามลำดับผลก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็อาจจะปฏิบัติแบบถูกถูกผิดผิดได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจึงจำเป็นที่จะต้องในเบื้องต้นศึกษาก่อน แล้วนำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวชนี่คือหลักการของหลักหน้าที่ของชาวพุทธเรามีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งศึกษาอริย ธ, ธรรม สปฏิบัติปฏิบัติธรรมสามบรรลุผลเวทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมเมื่อได้บรรู้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจได้แล้ว<ม>หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ท่านต่อไปก็นำเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปเบื้อตอนนี้อย่าเพิ่งไปสั่งสอนใครถ้าเรายังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่าเสียเวลากับการไปสั่งสอนผู้อื่น เขาจะทำให้เวลาของการปฏิบัติของเรานี้น้อยลงไปและอาจจะไม่ทันการเพราะว่าชีวิตของเรานี้ก็จะหดลงไปเรื่อยๆเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้าเราเอาเวลาอันล้ําค่านี้ไปให้กับการสั่งสอนผู้่ซึ่งอาจจะสั่งสอนไม่ได้ประโยชน์มากนัก ก็สอนแบบผิดผิดถูกถูกในเมื่อตนเองยังไม่สามารถที่จะสอนตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปสอนคนอื่นให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเสียเวลาน้ำค่าของตนเองเพราะว่าชีวิตก็จะสั้นลงสั้นลงเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อย ดังนั้นในเบื้องต้นควรที่จะทุ่มเทเวลาเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลก่อนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆถึงวิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็สามารถ ทำให้ความทุกนี้หายไปได้แบบชั่วคราวด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานแต่พอออกจากสมาธิความทุกข์ก็ยังกลับคืนมาได้อยู่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคืออยู่ในสมาธิก็ได้ ออกจากสมาธิก็ได้ความทุกข์ก็ยังดับไปไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีค้นพบเหตุที่ทำให้ความทุกข์ของใจเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์เหล่านั้น ให้หมดสิ้นไปจากใจพ อ, อ, อหลังจากที่ได้ทรงตัดสลุได้ทรงกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองให้หมดสิ้นไปแล้วออพระองค์ก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้มาสั่งสอนผู้อ่นอกทอดหนึ่งได้ออหลังจากที่ทรงตัดสลุแล้ว พระ อ, องค์ทรงวระทับอยู่ตามลำพังอยู่สองเดือนคือตัดสารุในวันเพ็ญเดือนหกพอถึงวันเพ็ญเดือนแปก็ทรงประกาศก็ทำคำสั่งคำสอยให้แก่สัสตว์โลกเป็นครั้งแรกแสดงธรรมโปรดพระบัจจวคีที่เคยเป็นสาวกติดตามพระ อ, องค์แต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ยุติการธรมานร่างกาย ด้วยการอดพระกยอาหารก็ทำให้พระปัญจวัคคีเสื่อมศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้านี้แพ้กิเลสแล้วกลัวตายต้องกลับมากินข้าวแต่ไม่รู้ว่าพระองค์นี้ทรงเห็นแล้วว่าการทรมารร่างกายเช่นการไม่กินอาหารโดยนำพังนี้ไม่สามารถที่จะทําให้ความทุกข์หายไปได้ องต้องท่งย้อนกลับมาหาวิธีที่เคยทำหรือวิธีของสมาธิและปัญญาหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าใจทุกข์เพราะอะไรก็ไปเจอว่าทุกข์เพราะความอยากต่างๆนีอ่อยากไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากอยู่ไปนานๆพอจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราจะหยุดความอยากได้อย่างไรก็หยุดความอยากด้วยความจริงก็ดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันจะต้องแก่หรือไม่แก่จะต้องเจ็บหรือไม่เจ็บจะต้องตายหรือไม่ตายก็เห็นความจริงว่าร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครไปสามารถยับยั้งไปห้ามมันได้ จะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็หยุดมันไม่ได้ถ้าอยากเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์ก็เลยสรุปดูตรงที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตาเราจะรู้สึกทรมานใจเราจะมีความทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยๆได้ปล่อยวางมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มัน เป็นอย่างนั้นไปอยู่กับมันไปมันจะตายถ้ามันให้ตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายถ้ามันยังไม่ตายก็ก็ปล่อยมันอยู่ไปก่อนคือสรุปก็คือต้องปล่อยวางร่างกายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้แล้วความอยากของเรานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเรา พอเห็นอย่างนี้เห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากของเราก็คือเฉยๆปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปใจก็ไม่ทุกข์ น, นี่คือการการพิจารณาของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้หลักของวิปัสสนา และสมะถะภาวนาเบื้งต้นต้องมีสมะถะคือใจที่สงบนิ่งสามารถวางเฉยได้แล้วก็ใช้ปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจเองแต่ความอยากของใจนี้ไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อย่างใดแต่กลับมาทำให้ใจต้องทุกข์ทรมานมก็หยุดความอยากเท่านั้นเองแทนที่จะอยากให้มันแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ แทนที่จะอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไข้ได้ป่วยไปแทนที่จะอยากไม่ตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปใจไม่ได้เป็นร่างกายใจผู้พิจารณานร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเพียงชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องแยกออกจากกันไปจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ตามถ้ายินดีก็จะไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยินดีก็จะทุกเวลาที่จะต้องสูญเสียร่างกายไปนี่คือการตัดสรลของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เอามาแสดงธรรมเบื้องต้นก็ส่งไปแสดงให้กับพวกนักบวชที่มีคุณคุณสมบัติมีความสามารถที่จะนำธรรมของพระเจ้าไปปฏิบัติได้ทันทีเลยคือต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิ คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาวางเฉยได้พอสอนเรื่องปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาที่ทุกข์พุ่ยปรยักให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองถ้ายอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายใจก็จะหายทุกข์พอฟังเท่านี้หนึ่งในพระบัญจรวะิคีคือพระอญญานโกนธัญะก็เข้าใจก็ทันทีปล่อยวางร่างกายได้ทันที ด้วยการกล่าวว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเมื่อมีเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้ายอมรับความจริงไม่ไปอยากให้มันไม่ดับใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ายอยากให้มันไม่ดับใจจะทุกข์มากมมนี่คือสรุปง่ายๆความจริงมัน เห็นชัดเจนอยู่ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันกล <gas> ัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองแต่ก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บไปคนที่รู้คนที่เข้าใจคนที่ปล่อยวางร่างกายได้ก็จะไม่ทุกกับร่างกายต่อไป นี่คือการแสดงธรรมครั้งแรกของพระเจ้าทรงเลือกแสดงให้กับคนที่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ทันทีปฏิบัติในขณะที่ฟังธรรมได้เลยในสมัยแรกๆที่ทรงแสดงธรรมจึงปรากฏมีผู้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมได้เป็นจำนวนมากเพราะบุคคลเหล่านี้เขามีศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วเพียงแต่ขาดปัญญา ไม่รู้ธรรมชาติของร่างกายและสิ่งต่างๆว่าเป็นตายักท่านนั่นเองพอพระเจ้ามาทรงแสดงสอนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักษสัพเพธรมมาอนัตตามไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ ม, มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาของมันมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ปล่อยวาง ถ้าไม่ยามรับความจริงก็จะทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยใน <c oughs> ครั้งแรกช่วงแรกทส่งไปสแสดงพกูกทำให้กับพวกนักบวชก่อนพอสแสดงทำเสร็จปั๊บคนที่ฟังไ ม, ไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็บรรลุปเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาทันทีเลยในช่วงเจ็ดเดือนแรกตั้งแต่เดือนแปดไปถึงเดือนสามของปีต่อมาก็เจ็ดเดือนด้วยกันก็มีพระอารหรันต์ตัดสงว สาวกอย่างน้อยหนึ่งันสองรห้ารูปด้วยกันมาเข้าพระพุทธเจ้าผ้าอรหันตสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้บดรรลุปเป็นผ้าอรหันจากการฟังธรรมหลังจากบรรลุปเป็นผ้าอรหันแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่า เอหิภิกขุสัมปทาโยงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยแรกๆการบวชง่ายๆไม่ต้องมีโบสถ์ไม่ต้องมีพระมานั่งสวดมีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บวชให้โยงมาเป็นภิกษุเถิดพอพูดท่านนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระแล้วแล้วหลังจากเป็นพระแล้วก็ทรงบอกว่าให้ไปเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไป โดยโดยบอกว่าไม่ให้ไปในไปที่เดียวกันให้กระจายไปตามจุดต่างๆอย่าไปจุดเดียวสองคนให้แยกกันไปเพื่อที่จะได้นำธรรมันประเสริญนี้ไปเผยแผร่ให้กว้างไกลนั่นเองถ้าไปกระจุกตัวอยู่มันก็จะไปไม่ได้มัน ม, มันก็จะไม่ไปไปไกลไปกว้างแต่ถ้าไปคนละทิศคนละทาง ก็สามารถที่จะนําธรรมะอันประเสริฐไปให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พอหลังจากที่ได้ไปพอมาตรงขึ้นวันวันสามวันเพ็ญเดินสามที่เรียกว่าวันมาค้าบูชาเป็นธรรมเนียมว่านักบวชนี้จะต้องกลับมาหาครูบาอาจารย์มาแสดงความเคารพดัน่นดาผ้าหลานที่ได้บรรลุเป็นผ้าหลัน เราไปเผยแผ่ทรมะสั่งสอนให้กับผู้ก็หวนกับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนมี้าพนันอย่างน้อยหนึ่งพันสร้อยห้าสิบรูปด้วยกันท mm hmm. ามันประเสริฐนี้จะว่ายากก็ว่ายากจะว่าง่ายก็ว่าง่ายก็ mm hmm. อยู่กับคนที่รับทรมันประเสริฐไปนี้ว่าสามารถนำมอนไปปฏิบัติได้หรือไม่ mm hmm. ถ้ามีศีลนันบริสุทธ mm hmm. ศีลของนักบวชตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปแล้วถ้ามีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในโอเบคาได้พอได้ยินได้ฟังอริยสัจสีได้ยิงได้ฟังละใจละคานิจังทุกขังอนัตตาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลย สมัยก่อนจึงเป็นของที่มหัศจรรย์ใจเวลาพระเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้มักจะมีผู้บรรลุมักผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากแต่มายุคปัจจุบันอย่างสมัยนี้ทำไมพวกเราก็ฟังธรรมกันธรรมก็อันเดียวกันธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้เราก็เอามาศึกษากันแต่ทำไมเราไม่บรรลุกัน ก็เพราะว่าเราขาดศีลที่บริสุทธิ์เราขาดสมาธิจิตที่ตั้งมั่นที่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เราจึงฟังแล้วเหมือนกับเข้าหูซ้ายเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่ได้ทำให้ใจเรานี้บรรลุขึ้นมาเลยไม่ได้ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานี้หายไปเลยก็เพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ เรายังยึดยังติดกับสิ่งต่างๆยังอยากให้สิ่งต่างๆนี้เป็นไปตามความอยากของเราอยู่ของดีก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆของไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราอยากให้ของดีอยู่บางทีมันก็ไม่ยอมอยู่กับเราอยากให้ของไม่ดีไม่มาอยู่กับเราให้มันไปมันก็ไม่ยอมไปเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้มันไปอยากให้มันหายมันก็ไม่ยอมหายพอมันไม่หายมันก็ทําให้เราทุกข์ใจกันขึ้นมาอย่างอยากให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่ดีมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่เรื่อยๆความอยากมันเลยทําให้เราทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้มันไม่แน่นอนมันมีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเรายอมรับมันหัดอยู่กับมันไปอย่าไปอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเช่นนี้ต่อไปเราทุกคนอาจจะต้องเป็นโลกกันทั้งโลกหนึ่งโลกหัวใจบ้างโลกความดันบ้างโลกเบาหวานบ้างโลกมะเร็งบ้างโลกตับโลกตายบ้างถึงเวลานั้นเราจะปล่อยวางได้หรือไม่ ถ้าเราปล่อยวางได้ยอมรับไม่ไปปฏิเสธไม่ไปต่อต้านเพราะเราห้ามมันไม่ได้ไล่โลกเหล่านี้ไปจากเราไม่ได้ไล่โลกหัวใจให้มันไปจากเราไม่ได้เพราะหัวใจมันอยู่กับเราถ้าเราไม่มีหัวใจเราก็มัต้องไม่มีโรคหัวใจถ้าเราไม่มีตับมีไตเราก็จะไม่มีโรคตับโรคไตพระเจ้าถึงบอกว่าทุกย่ำไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่มาเกิดแล้วก็จะไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายโรคภัยต่างๆของร่างกายก็จะไม่มีโรคหัวใจก็ไม่มีโรคตับก็ไม่มีโรคไตก็ไม่มีโรคกระดูกก็ไม่มีโรคอะไรต่างๆของร่างกายก็จะไม่มีเลย<ช>ถ้าตายได้ยังมีร่างกายอยู่ตาย น, นั้นก็จะต้องมีโรคภัยต่างๆแต่ถ้ายอมรับความจริงตรงนี้ได้ว่ามันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดา เราพ้นไปไม่ได้ปล่อยวางเสียท่านั้นเองปล่อยให้มันเจ็บท่านั้นเองอยู่กับมันไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองทันหาความอยากของเราแต่ความอยากของเรานี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราเราต้องหยุดความอยากหยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําตามความอยากต่างๆโดยการ ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขจากการทำสมาธิ mm hmm. พอเรามีความสุขจากการทำสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องใช้นั่งกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปร่างกายจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อน mm hmm. ที่เรายังทุกขกันอยู่เพราะว่าเรายังต้องใช้นั่งกายเป็นเครื่องมืออยู่เรายังไม่มีความสุขจากสมาธิอยู่เรายังไม่สามารถรักษาศีล คือละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงเก่งรถต่างๆได้หรือยังไม่สามารถรักษาศีลงแปดขึ้นไปได้ยังไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้เกิดความสุขได้เราจึงไม่สามารถเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนี้มามามาปฏิบัติกับใจได้คือปล่อยวางสิ่ ง, งตา่างๆเรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิ ที่เราไม่มีสมาธิเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติสมาธิกันเราไม่มีเวลามาอยู่วัดมารักษาสี่งแปรกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเวลามาสร้างสมาธิหาความสุขจากความสงบของสมาธิแทนเพื่อที่พอเรามีสมาธิแล้วพอเราศึกษาปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ เป็นของไม่เที่ยงมันทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นของเราพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเราก็ยอมรับมันเสียถ้าเรามีสมาธิมีโอเบขาเราก็จะยอมรับได้จะเฉยเฉยได้พอเฉยเฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกับสิ่งต่างต่างอีกต่อไป สิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือเวลาพระเจ้าถึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาให้เป็นวันเวลาสำหรับการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญารักษาศีลแปดเพื่อรงงับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราจะได้เอาเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เกิดความสุขเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากทางร่างกายกต่อไป เมื่อมีความสุขทางใจไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ถ้าพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงก็เรายอมก็ปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปปล่อยไม่ให้มันตายไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้าเรามีความสุขจากสมาธิเราใช้ความสุขของสมาธิแทนได้มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายใจก็สามารถมีความสุขได้ใจก็จะปล่อยวางได้ พอปล่อยวางได้ความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปหมดนี่แหละคือการสรุปของการมีวันพระก็มีไว้เพื่อให้เรามา <c oughs> ปฏิบัตินี่แหละมาศึกษาวิธีการกำกัดความทุกข์เราต้องมีศีลสมาธิปัญญาถีงก็ตั้งแต่ระดับศีลแปดขึ้นไปสมาธิก็คือการจเจริญสตินั่งสมาธิถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไม่หยุดไม่นิ่ง เอามีสติกำกับใจด้วยคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพออยู่กับพุโทโธไปมันก็คิดอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็เน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอจะเป็นสมาธิจิตมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอาศัยมันได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดเวลาต้องสูญเสียสิ่ ง, งต่างๆไปนี่ก็คือ <c oughs> ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำหน้าที่ ของชาวพุทธเราคือเราได้บรรลุถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นต่างๆการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาก่อนต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับต่อไปนั่นเอง ไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์หมดไปจากใจได้เราจึงยังเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเราถึงจะบรรลุมังลนิพานได้เราจึงเป็นต้องมีวันพระวันพระเป็นวันจุดเริ่มต้นของการการการทาหน้าที่ของเรา เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องมีวันพระทุกวันเลยคือในที่สุดเราต้องไปเป็นนักบวชกันไปเป็นพระกันพ อ, อเป็นพระเราก็จะมีวันพระทุกวันเลยเพราะเราไม่มีหนา้าไม่มีการงานอย่างอืงอ่นต้องทำนอกจากทาหน้าที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมเท่านั้นเองเราก็จะได้บรรลุธรรมได้ไปภายในภพนี้ชาตินี้เลยแต่ถ้าเราทำเพียงแต่อธิษฐ์ละหนึ่งครั้งนี้ยังไม่พอเพียง เปนเพียงจุดเริ่มต้นท่านั้นเองเริ่มต้นทําแล้วพอเห็นผลเห็นความทุกข์ได้ลงเห็นความสุขมากขึ้นก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอยากจะมีวันพระเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆขณ น, นที่สวยก็จะมีวันพระทุกวันอันนี้ก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้เวลาที่เรากําหนดในการแสดงธรรมสามสิบนาทีก็ได้หมดลงแล้ว ก็ต้องขอยุติแ ส, สดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ในลาดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาสร้างสมาธิกันสร้างความสุขใจสร้างอุเบิกขาเพื่อให้เราปล่อยวางถ้าเรานั่งเฉยๆได้ <Yeah. S 1> ต่อไปเราก็จะปล่อยวางได้ <Yeah. S 1> เห็นอะไรเราก็เฉยได้ได้ยินอะไรเราก็เฉยได้ร่างกายเป็นอะไรเราก็เฉยได้เมื่อเราเฉยได้ใจเราก็จะไม่ทุก ตอนนี้เราเฉยกันไม่ได้เพราะใจเราไม่ยอมอยู่เฉยๆพอเป็นอะไรหน่อยก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันไม่เป็นบ้างเฮ้ยพอไม่มีอะไรก็อยากจะมีขึ้นมาบ้างมันก็เลยทำให้เราดิ้นรนวุ่นวายไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรตามที่เราอยากเพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือทาใจให้เฉยๆปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไรต่อไปเราต้องทำสมาธิกันเราจึงต้องมีการนั่งสมาธิหลังจากฟังธรรมสามสิบนาทีแล้วเราก็จะมานั่งสมาธิกันประมาณสามสิบนาทีต่อไปวิธีนั่งสมาธิก็คือนั่งเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรเราไม่ได้นั่งเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจหรือตายรักอันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาตอนนี้เราเอาสมาธิก่อน สมาธิทําใจให้นิง่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขเพื่อเราจะได้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้วิธีการ ท, ท, ทใจให้นิง่งเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเราต้องเอาใจนี้ผูกไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์เช่นทำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งหรือการเฝ้าดูเอริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึง่ง เราต้องใช้วิธีเหล่านี้ผูกใจไว้ใจถึงเงยนิ่งใจถึงเงยบสงบได้ถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ร่างกายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายเข้าดูว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ทุกขณะหรือเราจะใช้คําบริกรรมผูกใจไว้ก็ได้บริกรรมไปทําอะไรแล้วก็บริกรรมไป ตื่นขึ้นมาแล้วก็บริกรรมอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็บริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นได้พอเรามา ม, มีเวลามานั่งสมาธิเราก็ใช้สติกํากับต่อถ้าเรามีสติแล้วเวลามานั่งมันก็จะง่ายเพราะใจมันไม่ไปมันไม่ได้ลอยไปกับความคิดต่างๆพอให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธพอให้มันดูลมหายใจมันก็จะดูลมหายใจ แต่ถ้าถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เข้าใจยังลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก <c oughs> ็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทต่างๆที่เราจําได้ <c oughs> สวดไปจนกว่าเราจะสามารถ <c oughs> ทำให้ใจที่ลอยที่ฟุ้งนี่ระ ง, งับลงได้ <c oughs> พอใจไม่ฟุ้งไม่ ล, มลอยไป เ, เราก็าดึงใจมาให้อยู่กับพุโทโธไป ด้ อ, อยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้เพื่อให้ความคิดนิ่งเลยถึงแม้จะไม่ฟุ้งก็ยังคิดอยู่แต่มันคิดน้อยลงเราต้องหยุดความคิดให้ได้ทั้งหมดเลยจะหยุดได้เราต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็อยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวเวลานั่งมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีเสียงมีภาพมีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปตามรู้ มีความคิดอะไรต่า ง, างๆโผล่เข้ามาก็อย่าไปตามคิดให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้ถึงแม้นางกายจะมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นโปวดตอนนี้นก็อย่าไปสนใจอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปเดี๋ยวพอใจนิ่งแล้วมันจะไม่ทุกอย่างมันก็จะหายไปทุกอย่างมันก็จะว่างทุกอย่างก็จะเย็ยนพอใจว่างใจเย็ยนใจสงบใจมีความสุข<ๆ>ก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลม นั่งอยู่เฉยๆไปตอนนั้นมันจะรู้เองว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วใจไม่ดิ้นแล้วใจไม่ลอยไปไหนแล้วใจมีความสุขก็จะอยากจะอยู่อย่างนั้นไปนานๆเองก็อยู่ไปจนกว่าจะหมดกำลังของสติใจพอเริ่มคิดก็จะเริ่มถอนออกมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องเริ่มดูลมต่อเริ่มบริกรรมพุทธโธใหม่ก็จะนั่งต่อไปได้นี่คือวิธีการของการนั่งสมาธิ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 ช่าวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้ได้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบแล้วถ้านั่งแล้วยังไม่สงบในวันนี้ก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ควรจะฝึกสติในระหว่างวันไปก่อนตื่นขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธคอยฝึกสติไปดึงใจไว้ เหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นลยกเว้นเวลาหลับถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้นานได้เร็วแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุรบาบริปุเรนติสาสลัง เอวเมวอิโตจินังเปตางนังอุปการปิติทิฏฐังปทิฏฐังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาันตูปนารัสุยทัส manually รัสยทัสสะพิติโยวิวาชันตุ สัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาฒนศีลิศานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวทานติอายุวโนสุขังท้ารัง อลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเถินถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะสามารถตอบคําถามกันได้เพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระจารย์สุชาติ317ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุธาธ295ท่านทาง YouTube ดร V 46ท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านทาง Clubhouse 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ116ท่านรวมทั้งหมด789ท่านครับ กราบนมัชการพระอาจารย์รจเจ้าค่ะมีคำถามจากทางเฟซบุกถามเข้ามาว่ากราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราอย่างนั่งสมาธิไม่เก่งพอยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากพอเรายังไม่ควรไปสอนหรือแนะนำใครให้มาฝึกนั่งสมาธิ ควรเอาเวลาไปฝึกปฏิบัติของตัวเองให้ดีก่อนถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องเพอเหมือนกับการไปเรียนหนังสือเราเรียนยังไม่จบแล้วเราก็จะไปสอนคนอื่นมันก็จะไม่ดีต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนเรียนวิชาต่ตตางๆให้รู้เรื่องก่อนเมื่อเราจบแล้วเราค่อยเอ า, เอาไปสอนคนอื่นต่อไปจากทาง Facebook เจ้าคะ่ะกราษในมัชกาลพระอาจารย์ครับ เราจะสามารถก้าวข้ามเอาชนะความเจ็บและความกลัวเวลาทําสมาธินานๆได้อย่างไรครับก็อย่าไปกลัวมันเถอะถ้ากลัวก็ใช้สติช่วยใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับอาการของเจ็บความเจ็บความจริงมันเป็นเหมือนภาพลวงภาพหลอกมันไม่ได้เจ็บจริงมัน ม, มันเจ็บที่ร่างกายแต่มันไม่ได้เจ็บที่ใจ ใจนี้ไปไปกลัวความเจ็บแต่ร่างกายที่เจ็บมันไม่กลัวร่างกายมันเฉยเฉยมันไม่รู้เรื่องอะไรนั้นวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายก็คืออย่าไปคิดถึงมันเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปพออยู่กับพุทโธไปสักระยะนึงใจก็จะลืมเรื่องความความเจ็บได้แล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้ เจ้าค่ะจากทางยูทูบถามเข้ามาว่าถ้ามีเงินที่ได้จัดสรรไว้ส่วนหนึ่งตามจิต ท, ที่ศรัทธาแล้วมาสะสมบุญทําบุญทุกวันจนที่เงินที่จัดสรรจะหมดจิตการกระทําแบบนี้จะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็์หรือไม่และแบบนี้ทุกวันถือว่าใช่การสะสมบุญหรือไม่ก็การทําบุญแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นการสะสมบุญ เอาเงินเข้าธนาคารเข้าแต่ละครั้งมันก็สะสมเงินไว้ในธนาคารนี้จะได้บุญมากน้อยร้อซหรือไม่ก็อยู่ที่เราทําเท่าไหร่ถ้าเราทําร้อยละ50สเราก็ได้แค่50ถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราทําแค่ห้าพันเราก็ได้ร้อยห้าสถ้าเราเบิจากเงินเดือนทั้งหมดไปเลยหมื่นหนึ่งเราก็จะได้ร้อยร้อยเซก็อยู่การเสียสละของเรา ว่าเราเสียทลทรัพย์สินของเราไปมากน้อยเพียงไรเจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กฝากถามเข้ามาว่าถ้าเรานั่งสมาธิจนนิ่งสงบแต่จิตยังไม่รวมต้องทํำยังไงต่อไปคะและถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นต้องทําอย่างไรต่อคะถ้ายังไม่รวมก็มยังไม่นิ่งสงบก็ต้องพุดโธต่อไปแล้วดูรวมต่อไป ทำไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันรวมอย่าไปอยากให้มันสงบแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะสงบของมันเองจะค่ะจากทางย t u b e กลับนรรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนสอบถามค่ะปกติจะนั่งสมาธิได้ครั้งละสิบนาทีตัวจะโยกหลุดออกจากสมาธิเองจะแก้ไขยอย่างไรจะให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นเจ้าค่ะต้องพยายามฝึกสติระหว่างวันอยู่เรื่อยๆ มันพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้มีสติมากขึ้นตามตามดับแล้วพอมานั่งจิตก็จะมีสติมากก็จะนิ่งจะเฉยไม่ไม่โยกตัวได้ช่คาจากทางยู u b e โนเห็นไตรลักษณ์และเห็นว่าสิ่งที่เรายึดอยู่เป็นอนัตตาที่เราควบคุมเข่าไม่ได้ และรู้ว่าทุกจากสิ่งที่ยึดนี้แหละแต่ทำไมเรายังทุกอยู่คะหนูจะเห็นใจรักยังไงเพื่อให้ไม่ทุกข์กับสิ่งนี้คะายรักมันเห็นแล้วแต่ใจมันไม่เห็นใจมันไม่ยอมกิเลสมันไม่ยอมกิเลสมันยังอยากจะยึดอยู่เราต้องทาสมาธิให้จิตนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะยอมมันก็จะปล่อยได้เจ้าค่ะจากทางเฟ e บุ o k กรับนวัตกรรมพระอาจารย์ครับอยากถามหลวงพ่อว่าเราบริกรรมพุธโธไปพร้อมกับนับเลขพร้อมไปด้วยได้ไหมครับเพื่อไม่ให้หลุดจากคาบริกรรมครับกลับกับพระคุณครับได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบได้ใช้วิธีนั้นไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะการนั่งสมาธินี่มีวิธีหลากหลายด้วยกันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนใช้ลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทบางคนก็พุทธหนึ่งโทสองนี้ก็ได้แล้วแต่มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนุกุลติถามเข้ามาว่านั่งสมาธิแล้วนิ่งไปอย่างเดียวแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะก็ให้มันนิ่งไปนานๆยิ่งนิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีใจจะได้มีกำลังปล่อยวางได้มากขึ้นไปตามลดับ ออไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเพราะเรามีความสุขกับสมาธิเราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราดังั้นสิ่งต่างๆอะไรจะมาอะไรจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ปล่อยเข้ามาปล่อยข้าไปได้จากทางเฟ e b o o k เจ้าค่ะเราจะนำคำสอนที่ว่าด้วยความจริงและไม่ต้องอ้อนวอนไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดสติและปัญญาได้อย่างไรบ้างครับก็ทำไปแล้วต้องการอะไรเราก็ทำไปต้องการเงินก็ต้องมีงานทำทำงานไปเงินมันก็มาไปนั่งอ้อนวอนขอให้เงินมาแต่ไม่ได้ไม่ทำงานมันก็ไม่มาอยู่ดีนี่นเราต้องเจริญเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการช่ค่ะจากทาง YouTube ในฐานะคารวาที่ต้องใช้ชีวิตทางโลกเราจะสร้างสมดุลระหว่างการทำงานการดูแลครอบครัวและการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับก็ได้ตามความจำเป็นเลยต้องใช้เวลาทำ ง, งานกี่ชั่วโมงก็ทำไปต้องใช้เวลาดูแลครอบครัวเท่าไหร่ก็ทำไปต้องการจะปฏิบัติธรรมกี่ชั่วโมงก็ทำไปแล้วก็ต้องกำหนดไปตามตามความจำเป็น เจ้าค่ะจาก YouTube เจ้าค่ะกราบเรียนถามค่ะการมีสติในชีวิตประจาําวันคือกําหนดต้องให้พุทโธให้ได้ตลอดทุกเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้ตลอดเวลาก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ได้แค่3ามสวินาทีแล้วมันก็หายไปแล้วถ้าได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเก่งนั่งสมาธิห้นาทีก็สงบได้รวมได้ ยังไม่มีคนถามเข้ามาสัค่ะเนสติเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิจิตก็ไม่สงบไม่รวมไม่เกิดอุเบกขาไม่เกิดความสุขจิตก็จะหิวโหยกับสิ่งต่างๆจิตก็จะไปยึดไปติกับสิ่งต่างๆให้ความสุขแต่ถ้ามีสติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้รวมได้จิตก็จะมีความสุขในตัวเอง มีความสุขในตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนต้องไม่ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะเที่ยงไม่เท่ยงก็เราก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เดือดร้อนให้พยายามฝึกสติให้มากๆเพื่อให้เวลานั่งสมาธิจิตจะได้ดวมได้นิ่งได้สงบได้มีความสุขเอามีความสุขแล้วเราก็อยู่ของเราคนเดียวได้ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ <c oughs> ไม่มีร่างกายเราก็อยู่ได้ เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจใช้สติเป็นเครื่องมือแทนใช่มีคำถามจากอินบ็อกกราบนรรมสการขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะถ้าเรานั่งสมาธิจับลมหายใจพุทโธพุทโธไปแต่ว่าพอนานไปแล้วเหมือนกึ่งๆึงหลับ แต่ว่าใจก็ยังรู้สึกพุโทโธทำอย่างไรจะนิ่งแบบไม่มีความรู้สึกกึ่งหลับแบบนี้คะขอบพระคุณค่ะก็ต้องท่องขึ้นมาใหม่อย่าปล่อยให้มันรู้สึกกึ่งหลับแล้วต้องปลูกมันขึ้นมาใช้ทําบริกรรมใหม่พุโทโธพุธโทโธขึ้นมาเจาค่ะจากทาง youtube ถ้าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติของตัวเราเอง ควรจะเริ่มต้นอย่างไรให้เข้าถึงความจริงนั้นได้เร็วที่สุดครับเริ่มต้นด้วยสติฝึกสติบ่อยๆถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโทสะแบบกระทันหันจะมีหลักคิดอย่างไรในการแก้ไขเจ้าคะโอเคว่าเขาให้พรเราเลยว่าเขากำลังมวยพรเราเราก็กลาบสาธุสาธุไปเราก็จะไม่โกรธรับ จากทาง YouTube ค่ะการที่เราต้องลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงด้วยตัวเองนั้นมีเครื่องมือหรือแนวทางใดบ้างครับที่จะช่วยให้เราไม่ท้อแท้ระหว่างทางความขยันถ้าเาขยันแล้วก็จะไม่ท้อแท้ทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับถ้าเราขี้เกียจเมื่อไหร่ความาท้อแทะก็จะเกิดขึ้นมาทันทียังต้องขยันมั่นขยันหมั่นเพียร หลุด้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต้องอาศัยความเพียรเป็นหลักความขยันเหมือนเพียงจาก youtube เจ้าค่ะคําถามที่ว่าสมัยพุทธกาลบรรพชิตเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วสําเร็จเหตุผลของความสําเร็จคืออะไรคือเขามมีศีลมีสมาธิแล้วเขาปล่อยวางได้แล้ว พอาระเจ้บอกให้ปล่อยวางร่างกายเขาก็ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางภรรยาสามีเขาก็ปล่อยวางภรรยาสามีได้พอปล่อยได้ใจเขาก็ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขาปล่อยไปถ้าไม่มีสมาธิเขาปล่อยไม่ได้ไม่มีกําลังถึงแม้รู้ถึงแม้รู้ว่าจะต้องปล่อยก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยแต่พอมีสมาธิแล้วกิเลสหมดกําลังกําลังสมาธิมากกว่ากิเลสกิเลสก็ต้องยอมให้ปล่อย อยอมตามอยอมตามธรรมะที่เราพิจารณาก็ต้องปล่อยเราถึงจะมีความสุขจากคนที่คัดทนาคำถามอยู่ในโลกนี้สุดท้ายก็จากไปอยู่ดีทำให้เห็นว่าไม่ควรยึดติดกับอะไรหัดฝึกใจให้รู้ความจริงเสมอเพื่อลดความทุกเวลาต้องพรัดท่าจากการจิตระดับที่ไม่ทุกนี้ เริ่มที่พระโสดาบันก็พอพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็พ้นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายพระโสดาบันจะไม่ทุกข์กับร่างกายของใครใครตายไปก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจจากเฟซบุ๊กเจ้าคะ่ะเมื่อภาวะจิตสงบลงแล้วมีอะไรที่เราควรสังเกตเป็นพิเศษเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติของจิตครับไห้ทํามไปสิ อ, เ ม, อเมื่อภาวะจิตสงบลงแล้วมีอะไรที่เราควรสังเกตเป็นพิเศษเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติของจิตครับไม่ต้องสังเกตละมันก็จะรู้อยู่ในใจว่ามันเป็นอย่างไรมันเรากินข้าวอิ่มแล้วเราไปสังเกตนะ ว, ว่าความอิ่มนี้เป็นอย่างไรมไม่ต้องสังเกตมันรู้ขึ้นมาอ๋อนี่คือความอิม่มเวลาจิตสงบมันก็รู้อ๋อนี่คือความสงบมันมคือความสุข ไม่ต้องสังเกตสังเกตวิธีทำให้มันสงบเท่านั้นที่เราควรจะสังเกตวันนี้เราทำให้จิตสงบได้อย่างไรไก็สังเกตวิธีนั้นไว้แล้วคราวหน้าเราก็เอาวิธีนั้นมาทำต่อจาก facebook เจ้าค่ะการเดินปัญญาจะทำได้เมื่อไรคะหลังจากนั่งสมาธิแล้วนิ่งใหม่คะก็ลหลังจากออกจากต้องออกจากสมาธิก่อน เราก็มาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายให้ได้เจ้าค่ะจาก YouTube การไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆรวมถึงการไม่ยึดมั่นในตัวตนของผู้ปฏิบัติคืออะไรและเราจะฝึกฝนเพื่อให้เข้ากับถึงสภาวะนี้ได้อย่างไรครับ เราฝึกสติสมาธิปัญญาถามตัวนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีเราก็จ ะ, ะมาพอดีคำถามมาเพิ่มต่อกัน มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะคุติเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราใส่บาตรหรือทําบุญให้ผู้ร่วงลับไปแล้วถ้าเขาอยู่ในที่รอรับได้จะได้รับแต่ถ้าเขาอยู่ในที่รอรับไม่ได้บุญนั้นจะถึงผู้ที่เราต้องการให้เมื่อไรคะก็ต้องรอให้เขามารอรับก่อนตอนนี้ก็บุญที่เราทําไปก็กลับมาหาเราเป็นของเราไปก่อนแล้วคร า, าวหน้าเราก็ทําใหม่ ถ้าเราคิดว่าเขามารอรับส่วนใหญ่เขาจะมาถ้าเขาจะมารอรับเขามักจะมาเข้าฝันหรือถ้าเรามีสมาหนที่เราก็จะสามารถติดต่อเขาได้เลยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ส่งบุญไปแต่ถ้าเขาไม่มาติดต่อกับเราไม่ได้มามาเข้าฝันก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการบุญจากเราแต่เราจะส่งไปเผื่อไว้ก็ได้ เกิดเราฝันแล้วเราลืมเติบขึ้นมาแล้วเราลืมเราก็ทําส่งไปทุกครั้งที่เราทําบุญนี้มันไม่ไม่เสียหายอะไรที่จะอุทิศบุญยัเงเดาพูดที่จะรับ บ, บุญนี้จะได้รับหรือเปล่าแล้วก็ส่งไปเผื่อไว้สิส่งให้คนนี้ถ้าเขาไม่รับก็ขอให้คนค น, นั้นรับต่ออะไรอย่างนี้ไปอุทิศให้สรรพสัตว์ไปเราด้วยอุทิศให้กับบุคคลนั้นคนนี้ ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับก็ขออุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปที่กําลังรอรับผลบุญจาก youtube เจ้าค่ะใส่บาตไม่อุทิศบุญได้บุญหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันอ๋อใส่บาตก็ได้บุญแล้วถ้าไม่อุทิศคนที่รับก็ไม่ได้รับเท่านั้นเองแต่คนใส่บาตได้บุญแล้วเจ้าค่ะจากทาง f เฟซบุ๊ก ทำสมาธิอย่างไรให้เกิดตัวรู้หรือยานรู้เจ้าคะ่ะให้นิ่งให้สงบเลยให้มีสติกำกับใจไม่ให้คิดอะไรพอใจนิ่งใจสงบก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมาเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิพจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอสถั